ทำความเปลี่ยนต่อไปอีกประมาณสักเจ็ดวันคงจะได้นอนหลับฝันไปอีกฝันว่าพระอาจารย์ใหญ่มั่นให้เอาหนังหนีไปทุบไม่รู้ว่าท่านให้ทุบจะไปทําอะไรท่านบอกว่าแต่ว่าท่านออกไปแช่น้ําแล้วสามคืนให้ท่านเอาไปทุบได้เดินไปจับเอาขึ้นจากน้ําดูไม่เป็นหนังหนีมันเป็นหนังควายก็ทุบไปจนหนังอ่อนมากแล้วจึงนึกขึ้นในใจว่า พระอาจารย์ท่านให้เราทุกหนังนี้จะไปทําอะไรหนอเราทุกนี้พ่อจะเอาได้หรือยังเพื่อเอาไปให้ท่านดูก่อนเถอะดังนี้ขณะที่จับเอาหนังถือเดินไปพบพระป้องเข้ากลางทางถามว่าจะถือหนังไปทําอะไรที่ไหนตอบท่านว่าจะเอาไปให้พระอาจารย์ท่านดูว่าจะอ่อนพอเอาแล้วหรือพระป้องที่ได้เดินมาดูหนังที่ถืออยู่นั้นท่านว่ายังไม่ใกล้ จะพอเอาแล้งนี้ท่าอาจารย์ใหญ่บอกให้พวกผมทุกอ่อนกว่านี้อ่ะโขอเอาไปให้ท่านดูท่านกว่าอย่างไม่ใกล้พอเอาเลยพระพอมจึงบอกให้เอาหนังที่ถืออยู่นั้นเอกไปทุบที่เดิมอีกก็ได้เอาหนังคืนไปทุกีบจนอ่อนเหมือนหนังที่พวกคนเขาใช้แล้วจึงนึกขึ้นมาได้ว่าเราไปท่านอาจารย์ดูก่อนพระเราจะทุบให้อ่อนกว่านี้ นั้นก็จะขาดมุ่นคือละเอียดไปหมดแล้วก็จัดเอาหนังถือไปพบพระป้องอีกในการทางพระป้องมาขอดูหนังอีกท่านก็อย่างว่ายังไม่ทันพอเอาจึงนึกว่าจะไม่พอเอาหรือพอเอาเราจะเอาไปท่านอาจารย์ดูให้ได้ก่อนเพราะบางทีพระอาจารย์ให้พระป้องนี้ทุบเอาไปทํางานอีกอย่างเราทุบหนังเสียหายอ่อนเกินไป ท่านสั่งให้เราทุกนี้ท่านจะเอาไปทำงานอีกอย่างเราทุกหนังเสียหายอ่อนเกินควรแล้วพระอาจารย์จะดุเราตายจึงถือหนังเดินผ่านต่อไปอีกยังไม่ถึงพระอาจารย์เลยก็ตื่นจะกลับลุกพิจารณาความฝันของตนไม่ได้ความว่าอย่างไรอีกตอนนั้นก็ได้ตั้งใจทำความเพียนขั้ฑสติพิจารณาธรรมทั้งหลายที่ตนรู้มาอยู่อย่างนี้ แต่เดือนยี่ถึงเดือนสี่ข้างขึ้นก็พอดีพวกโยมบ้านนาต้องเขาจะทำบุญสำนักป่าบ้านเขาเขามานิมนต์ไปช่วยดูการเขาจะจัดทาพิธีรับพระเขาได้ไปอารัธนาแต่พระอาจารย์ใหญ่มั่นก็ได้ไปนำพาเขาทำพอไปถึงสำนักป่าบ้านนาต้องเป็นสำนักร้างอยู่พระไม่มี จึงได้ช่วยเขาทําตูรับพระขึ้นไม่รู้ว่าได้กี่หลังพอถึงวันเวลาที่พวกโยมเขากำหนดแล้วเป็นพระท่านมาจากพระอาจารย์ใหญ่พดป่าบ้านคออำเภอบ้านถือได้มาถึงพระท่านบอกพวกโยมว่าพระอาจารย์ใหญ่ไม่ได้มาให้ผู้อาต ม, มามาแทนท่านคข้มพอควรพวกโยมก็มาพร้อมกันทำการไหว้พระรับศีลเสร็จแล้วที่มูพระสวดมนต์ เสร็จแล้วคุยธรรมะ ก, กันเล็กน้อยพอครวรแล้วก็เลิกกันเช้าวันใหม่พวกโยมก็นำอาหารซึ่งขคทานมาทำบุญถวายท่านอนุโมทนาเสร็จพิธีแล้วพวกพระที่มาจากพระอาจารย์ใหญ่กลับกันหมดตัวข้าพเจ้าก็ได้ทำความเพียงดูแต่รูปเดียวไปโปรดโยมมารดาให้รับปฏิบัติพระไตรสนะคม ต่อมาอีกไม่กี่วันเป็นพระคามีคือพี่ชายเดินมาหาพระพี่ชายนี้แต่ก่อนท่านเป็นสมภารอยู่วัดบ้านดอนเงินอำเภอกุมภาวาปีบ้านเกิดเมืองนอ น, นนั่นเองที่ได้ลุกไปรับขึ้นบริหารมาพักที่ตาลาพอขึ้นพักคนตาลาแล้วก็กราบท่านที่เสร็จแล้วถามขาวท่านว่ามาอะไรท่านที่บอกว่ามาตามเอาท่านกลับบ้าน เวลานี้พ่อออกคือโยงผู้ชายเราตายแล้วแต่เดือนส1เอ็ดข้างขึ้นจวนวันเพนศอกก็ได้เผากันไปแล้วแต่แม่เราเป็นทุกข์มากเพราะมีความที่ถึงพ่อมากไม่เปน็นอยู่อันกินจึงเล่าให้ผมมาเที่ยวตามท่านกลับคืนมาให้แกเห็นหน้าเพื่อหายโศกดังนี้ผมออกจากวัดหาท่านแต่เดือน12บสองข้างแรงไปทางจังหวัดสกลนคร หาที่ไหนก็ไม่พบจึงถามคนเขาผู้รู้จักพระอาจารย์ใหญ่มัน่นเขาจึงบอกว่าท่านกลับไปทางอำเภอท่าบกแต่ก่อน่า ง, งนี้แล้วผมจึงได้ย้อนกลับมาพักกับพระอาจารย์ใหญ่มัน่นที่วัดป่าบ้านคอคืนวานนี้ถามข่าวหาท่านพระอาจารย์จึงได้บอกว่าท่านอยู่ในดงผมจึงมาถึงท่านเดือนสีนี้เองผมเหนื่อยมากขอพัก พอได้ยินท่านพี่บอกข่าวว่าพ่อได้ตายไปแล้วหัวใจที่ฝึกขัดมาเพื่อหวังความรักและความชังความรักทั้งหลายก็ขาดไปจากใจเลยทีเดียวในขณะนั้นใจมันรู้ขึ้นมาว่าพ่อผู้เราได้คิดถึงอยู่ประจำใจไม่ลืมได้ตายและเดินทางไปก่อนเราผู้เป็นลูกเสียแล้วหนอทรัพย์สมบัติอันพ่อขยัหา ท่า น, นาเราไม่ช่วยหาได้มากมายพ่อก็ไม่มีใจห่วงอะไรแม้แต่น้อยมัจุราชตัดห่วงใยและชีวิตของพ่อเราให้ขาดสิ้นไปไม่ให้รังรอนี้เป็นคําสอนให้เรารู้ตัวเราก็ไม่ห่วงแล้วเหมือนพ่อตายหายห่วงบอกเราให้รู้เราก็ไม่ห่วงโลกสงสารไม่จุดไปจากธรรมะพิพรมอาจารย์แน่หลักคําสอนของพระพุทธองค์ ตอนทีเรารู้ของจริงคือเกิดแก่เจ็บตายว่ามีอยู่ประจาร่างกายของบุคคลและตัดให้เรารู้นั้นเราได้พิจารนารู้ตามหรือยงนี้มันจริงแน่หรือเกินทีเดียวหนอดังนี้ขึ้นในใจทั้งปากก็พูดกับท่านพี่ไปใจก็พิจารนารู้ไปเหมือนได้บรรยายมาข้างบนนี้ก็เลยพูดกับท่านพี่ว่า ศพพ่อก็ได้เผาไปแล้วใช่ผมกลับไปบ้านทําไมหนอผมอยากอยู่ทําความเพียรภาวนาอุทิศส่งบุญกุศลไปให้พ่อออกเพื่อพ่อออกตกทุกข์ได้ยากให้ผลทุกข์พ้ยากเมื่อพ่อออกได้ถึงขั้นสุขก็ให้ได้สุกยิ่งๆิ่งขึ้นไปเห็นจะดีส่วนไม่ออกคิดถึงพ่อและตัวผมเป็นทุกข์มากนั้นก็ไม่ออกไป็นผู้เข้าวัดฟังธรรมจำสิ้นห้าสินแปตลอด ท่านแรงและผลทำอันใดไม่ออกก็จำได้ตลอดทั้งบารีเล็กน้อยไม่ออกเราฟังทีเดียวก็จำได้ผมว่านันนานไปไม่ออกคงจะหายไปเองท่านพี่จึงพูดว่าหายไม่หายก็ยังไม่รู้ได้ผมกลัวทางไม่หายนั่นแหละมากไปกว่าความหายเพราะแม่เราแรงหลายเติวถึงผมเป็นพระอยู่ขณะนี้ แม่ก็ยังด่านปนพี่แหลกลานไปเลยจนผมคนอยู่มไม่ได้ได้ตามหาท่านให้มนีเองชินิถามท่านพี่ว่าท่านพี่มานวัฏการท่านพระอาจารย์ใหญ่ที่พูดเรื่องที่ไม่ออกเป็นถวายให้ท่านรู้ไหมท่านพี่บอกว่าได้เล่าถวายาพระเจ้าถามอีกว่าอาจารย์ใหญ่ท่านพูดเรื่องไม่ออกว่าอย่างไรบ้างท่านพี่บอกว่า พระอาจารย์พูดว่าให้ท่านไปตามเอาท่านอ่อนไปแก้และให้เห็นแล้วก็หายดอกแต่ท่านอ่อนจะไปเยี่ยมแม่ออกนั้นให้มาหาผมก่อนพระอาจารย์ใหญ่สั่งมาอย่างนี้จึงนึกขึ้นในใจว่าถ้าอย่างนั้นตัวเราก็ต้องไปแน่จึงถามท่านพี่ว่าท่านพี่จะกลับบ้านด้วยผมไหมผมจะกลับบ้านวันพรุ่งนี้แหละท่านพี่บอกว่าผมไม่กลับดอกบ้าน ผมตั้งใจหนีจากความเป็นสมภารจะออกปฏิบัติอย่างท่านเวลานี้ผมต้องการไม้เทา้าผมจะให้โยมบ้านนี้หามยยุง ม, มาทำให้เียก่อนจึงเดินเที่ยวหาวิเวกข้าพเจ้าจึงถามท่านว่าถ้าทันทีไม่กลับบ้านกับผมแล้วทันทีมีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องดูทางบ้านบ้างไหมถ้ามีสั่งไปกับผมก็ได้ผมจะช่วยถ้าหากไม่เป็นของเหลวพิสัย ท่านพี่บอกว่าผมไม่เกี่ยวข้องอะไรทางบ้านผมจัด ก, การของผมหมดแล้วให้เรียบร้อยจึงมาตรวจสินของของเขาออกไม่ออกอาจจะมีการแบ่งผมก็บอกแม่แล้วว่าไม่ห่หวงต่อนนั้นไปได้เลิกกันทำความเพียงของใครของมันไปตามอุปนิสัยอย่างนี้ตึ่เช้าวันใหม่ฉันบินทบาทเสร็จได้หลาพวกญาตโยงและท่นที่ออกเดินทางผู้เดียว นอนทางคือหนึ่งวัหลังจึงได้พบพระอาจารย์ใหญ่มั่นที่วัดป่าบ้านคออําเภอบ้านผือพักแกร่งพอครวรแล้วหุ่มผ้าประกาศพระอาจารย์ใหญ่เสร็จแล้วพระอาจารย์ถามข่าวการไปอยู่ในดงและการเดินทางออกมาพอสมควรแล้วได้เรียนถวายท่า น, ท, านทราบเรื่องดีทุกประการพระอาจารย์จึงพูดเรื่องท่านที่คำมีมาพักกับท่านและเรียนเรื่องไม่ออกให้ฟังว่า ท่านพี่คำมีที่ใจท่านมาตามท่านว่าพูออกไตแล้วว่าแม่ออกท่านรุ้มใจเห็นทุกมากจึงให้ท่านคำมีมาตามพาท่านไปบ้านให้แม่ได้เห็นหน้าว่าอย่างนี้ผมจึงว่าให้ท่านไปเยี่ยมบ้านให้แม่ออกท่านเห็นให้หายเป็นทุกข์ใจเสียพ่อแม่ของตนไม่ใช่คนอื่นพระอาจารย์พูดเช่นนั้นจึงประนมมือขอโอกาสกับท่านแล้วเรียนท่านว่า เรื่องกลับบ้านนั้นเกล้าขอโอกาสแล้วแต่พระอาจารย์จะสมควรแต่ว่าท่าพี่ขมีเล่าให้เกล้าฟังว่าไม่ออกมีความกลุ้มใจมากเกือบจะเป็นบ้าไปแล้วก็ว่าได้ถ้าไม่ออกกล้าวเป็นไปถึงเพียงนั้นจริงเกล้าก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไม่ออกให้หายได้อย่างไรพระอาจารย์ใหญ่ท่านพูดว่าเรื่องนี้ท่านขมีก็พูดให้ผมฟังเหมือนกัน ผมพิจารณาดูแล้วจะไม่ยากดอกท่านกลับไปให้เห็นหน้าแล้วไม่ออกท่านก็หายดอกหรือถ้ายังไม่หายให้ท่านสอนไม่ออกให้ภาวนาอุบาหิปัสนาให้ภาวนาะระลึกในใจว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาทุกขาสัพเพสังขาราสัพพัสัญญาอนัสตาอย่างนี้ะระลึกอยู่ไม่นานไม่ออกท่านก็จะหายดอกการปฏิบัติ ถ้าเกิดเป็นบ้าต่างๆให้ภาวนาคานี้หายหมดนั่นแหละแต่ให้ท่านบอกให้ไม่ออกท่านรู้ว่าการไม่สบายปรากฏอยู่ในใจทั้งหมดนี้มันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนาาัตตาดังคาไม่ออกภาวนาอยู่ในใจนั้นทั้งหมดนั่นแหละให้ท่านเตือนไม่ออกให้รู้ให้ภาวนาอยู่อย่างนี้ไปไม่นานไม่ออกท่านก็หายดีได้ดอก เพราะความขึ้นในธรรมทั้งหลายมันไม่สูกวิปัสสนาธรรมนี้ได้ดอกพระอาจารย์ตื่นอย่างนี้มีความดีใจมากและอะไรก็ไม่ดีใจเข้าได้อวาตของพระอาจารย์กลาวนี้เพราะตัวจะได้ถือจําไว้เป็นประจำในการปฏิบัติใจของตัวหากตัวหรือใครเป็นก็จะได้แก้และช่วยความเป็นบ้าให้หายได้แล้วจึงได้ขอเรียนท่านพระอาจารย์อีกว่า หากเกล้าไปบ้านแก้มออกของเกล้าไม่หายแล้วเกล้าขอโอกาสจะเอาไม่ออกของเกล้าไม่พระอาจารย์พิจารณาช่วยเกล้าใจวิญญาณที่เกล้าเอามาได้ไหมพระอาจารย์นทนิ่งพิจรารณาอยู่หน่อยหนึ่งแล้วพูดว่าเออหายหน้าท่านไม่ต้องไม่ตกแรงไปเพราะความเป็นจริงไม่ออกท่านไม่เป็นแรงจนถึงกับจะเป็นบ้าอย่างนั้นกุ้งใจที่ถึงท่านและผัวตายจากไปเป็นธรรมดา คนเขาเป็นกันอยู่ในบ้านในเมืองนี้เท่านั้นเองก็พอดีหมดเวลาเลิกกันพักอโแรงอยู่กับท่านพระอาจารย์สองคืนวันที่สามก็ได้ลาศท่านเดินทางไปบ้านพอไปดถึงบ้านท่านพีวาจะไม่ไปบ้านกลับเกิดท่านไปถึงบ้านก่อนสองวันพักอยในโดมข้างบ้านก็พอดีไปพักอยู่ด้วยกันท่านพี่ขามีพูดขึ้นว่า ว่าจะไม่มาบ้านดอกเพราะท่านมาแล้วแต่ผมได้พิจรนารณาดูผมคงใจอยู่กับเรื่องไม่ออกไปขึ้นอยู่กับธรรมปีติอันนนมีสาระแผ่นสารผมมีประสงค์อยากจะให้ไม่ออกเราออกจากธรรมปีติมาเข้าอยู่พระไตรณคมเหมือนพระอาจารย์ใหญ่สอนญาติโยมทางอำเภอผู้ให้มาอยู่ปฏิบัติไตรณคมกันอยู่นั้นดอกผมจึงได้มาบ้านกับท่านอีก แต่เรื่องนี้เราสองคนจะพูดกันทีหลังเพราะพวกญาติพี่น้องก็ได้มาเยี่อมท่านมากแล้วให้ท่านพูดกันกับพวกญาติไปเสียก็ได้หยุดกันก็อพอดีพวกญาติก็มาถามตามเรื่องของญาติที่เขามาเยี่ยมถามข่าวพอควรแล้วพวกญาติก็ได้เลิกกันไปเหีืออยู่ก็แต่พวกที่มาทำร้านพักให้และนำพวกญาติทำร้านพักและทาจงกรมอะไรทุกอย่าง เปเรียบร้อยพวกยาติก็ได้พาตลาดกลับบ้านข้า ม, มาเขาพาดเดินจงกรมเสร็จแล้วมองเห็นท่านที่จุดโคมเดินมาทางบ้านพักรับรองและกราบท่านแล้วท่านที่ถามว่าท่านพิจารณาเห็นอย่างไรบ้างเรื่องผู้ออกลุงผู้เป็คนครูสอนธรรมะปีติให้ไม่ออกได้มาปฏิบัติอยู่นั้นอย่างไรจึงจะเป็นการเหมาะสม ให้พอออกลุงได้อนุ ญ, ญาตให้ไม่ออกเรามาปฏิบัติและปฏิยารับพระไตรสนคมด้วยได้ดีเล่าผมให้ท่านพูดกับแกหากผมก็เข้าปฏิบัติใหม่อย่างไม่มีความรู้พอจะพูดกับแกให้เข้าใจและยอมให้แม่ของเราออกมาปฏิบัติพระไตรสนคมได้ดอกทั้งผมก็ได้เรียนธรรมะปีติกับแกผมนึกเกรงใจแกอยู่ กกลัวแกจะมีใจว่าผมอวดรู้อวดดีอะไรไปต่างๆนานาผมจึงให้ท่านพูดกับพระออกลุงให้ไม่ออกเราออกจากธรรมปิติของผู้ออกลุงดังนี้เกษพระเจ้าจึงบอกท่านพี่คำนี้ว่าเรื่องที่จะให้ผมพูดกับผู้ออกลุงนี้ก็ดีแล้วลหละแต่ผมเห็นว่าจะเป็นการยุ่งยากหน่อยเพราะพระออกลุงแกว่าแกเป็นป่าใหญ่คนหนึ่ง จนแกได้ออกฝากว่าแกไม่ต้องการอยากพูดกับคนผู้รู้ในโลกมาพูดกับแกเพราะใครมาพูดก็เอาแต่เรื่องในโลกมาพูดเอาแต่ของเก่ามาพูดกันจนเบื่อใจแล้วพูดกับคนไปมันไม่สนุกใจอยากพูดกับคนผู้พูดนอกโลกได้นั้นมันจริงไม่เป็นของเก่าพูดกันสนุกดีพู้ออกลุงแกพูดสนองตัวอวดความรู้ของแกอยู่อย่างนี้ ท่านที่เคยเป็นลูกศิษย์ของแกงมาองหนึ่งก็คงได้ยินและรู้ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือเมื่อเราทั้งสองต้องการอยากให้ไม่ออกเราออกมาจากธรรมปิติของผู้ออกลุงมารับพระไตรปณ์คมแล้วเราต้องสู้ผีปากของผู้ออกลุงจนกว่าให้ชนะนั่นแหละผู้ออกลุงจึงไม่มีการแยแสกับไม่ออกเราที่ได้ออกจากนามของแกงและมารับปฏิบัติ พระไตรชนคมตอบไปด้วยได้ดีดังนี้ท่านพี่ขออนุญาตกับพอออ่อครงแล้วให้ผมพูดผมก็จะลองพูดดูละเท่าที่ผมรู้และศึกษามา ก, กับครูอาจารย์จะสู้พอออ่อครงได้หรือไม่นั้นผมยังไม่แน่ใจไม่ได้อยู่ถ้าคําพูดใดท่านพี่มองเห็นทางที่จะพูดกับพอออ่อครงพอให้แก่เข้าใจได้ก็ขอให้ท่านพี่ช่วยผมพูดกับแก่บ้างก็ดีเหมือนกัน ท่านที่ขมีบอกว่าท่านไม่รับจะพูดเป็นเด็กขาดเลยก็พระเจ้าจึงได้ถามท่านพี่ว่าท่านผูเคยเป็นศิษย์เรียนธรรมปิติกับพระออกลุงมาแล้วธรรมปิติอันผู้ออกลุงว่าเป็นธรรมะพระอรหันต์นั้นเป็นอย่างไรจึงอยากให้แม่ออกเราออกมาปฏิบัติธรรมะพระไตรสารณคมเล่าท่านพี่ขมีพูดให้ฟังว่า อันธรรมะปีติที่บอกลวงสอนว่าเป็นธรรมะพระอรหันต์นี้ผมเห็นว่าไม่มีแก น, านสารเียเลยทั้งการสอนของแกผมเห็นว่าแกสอนเพื่อเป็นการอาชีพของแกจะอีกคือแกมีการประกาศให้คนอื่นมาเรียนธรรมะกับแกสั่งให้หาทุบเพียนให้มากเพียรลูกครูเล่มหนึ่งให้หนักหกบาทหกเล่มเพียนจิตบูชาเล่มหนึ่งหนักสองตลิ่หรือหนักหนึ่งบาท เมื่อกล่าวเข้าเรียนกับ แ, แกจะให้เอาถวายให้แกหมดแกแบ่งเอาเทียนลูกศิษย์คนละครึ่งเทียนลูกครูแกก็เอาของลูกิษ์หนึ่งชุดให้ลูกศิษย์ไว้เป็นเครื่องบูชาเราลึกถึงคุณของครูอีกหนึ่งชุดลูกศิษย์หลายคนเทียนก็ได้มากเมื่อลพฤติเรียนกันแล้วแกก็อดเกียนไปต้มเพียงเอาพึ่งขายเป็นอาชีพแบบนี้ผมจึงว่าแกสอนเป็นอาชีพผมจึงว่าผู้ออกลุง สอนแก่พวกศิษย์ไม่สอนศิต์คนทุกเลยสอนเพื่อเป็นอาชีพเท่านั้นเมื่อได้ยินท่านที่พูดทำและการสอนทาของผู้ออกลุงนึกต ง, งิษฐ์ต ง, งินฐขึ้นมาในใจเพราะได้เรียนพระอาจารย์ใหญ่ให้ท่านเทศนาให้ฟังจำได้เข้าใจมาเป็นอย่างดีแล้วทั้งได้ยินท่านที่พูดเล่าให้ฟังไม่ผิดกันกันกบพระอาจารย์ใหญ่สอน ให้รู้มันนั้นเสียด้วยจึงได้นึกในใจว่าถ้าพอออกลุงปราดใหญ่มาสนทนาเล่นงานกับเราจริงแล้วเราจะเอาแกให้เสียชื่อเสียงว่าเป็นปราดใหญ่คราวนี้แหละทั้งท่านที่ผู้แกเคยดูดา่าดูดถูกว่าเราเป็นน้องไม่มีความรู้อะไรนี้ก็ดีเราประเทศณาเอาให้แกเห็นความรู้ความสามารถของเราในครั้งนี้พอสมควรแล้วก็ได้เลิกกันไป วันหลังได้พากันไปบินถบาทพอควรแล้วก็กลับมาที่พักพวกญาติโยมพร้อมทั้งแม่ออกด้วยก็ได้นําทายทานไปทําบุญถามกข่าวๆและได้พูดปราศัยกับพวกญาติโยมพอสมควรพอฉันจังหวะเสร็จแล้วพวกญาติโยมก็ได้เลิกกลับบ้านกันหมดเหลืออยู่แต่แม่ออกคนเดียวทันที่ก็ได้โอกาสพูดกับแม่ออกให้ออกจากธรรมปิติกับผู้ออกลวงเสียให้มารับขึ้นอยู่กับ ธรรมะพระไตรปนคคมกับผู้ลูกเสียไม่ออกตอบท่านพี่ว่าแม่ไม่ว่าเอาแต่ลูกทั้งสองจะเห็นเป็นดีหรือประการใดสุดแล้วแต่ลูกทั้งสองจะให้ในออกละธรรมคุ้มครองขอผู้ออกลุงมาขึ้นปฏิบัติธรรมพระไตรปนคคมกับพวกลูกแล้วนั้นจําเป็นในอออกจะได้ทําการล่ำละออกจากธรรมของผู้ออกลุงของผู้ลูกเสียก่อน ทึงจะเป็นความงามและเรียบร้อยก็ต้องลา ก, ก่อนนั่นแหละเป็นการดีตอนนี้ไปไม่ออกก็ได้หารือเรื่องทรัพย์สินของต่างๆไปหลายอย่างจนถึงบ่ายหนึ่งไม่ออกชิได้หลากลับบ้านวันหลังเมื่อฉันบินถบาศก็ได้เห็นเู้ออกลุงจานอ่อนสีผู้เป็นครูสอนธรรมให้แม่ออกและแม่ออกพร้อมด้วยพวกญาติมากเดินตามกันออกมาเพื่อถวายจังหว ท่อยากมาฟังการสนทนาธรรมของจารย์อ่อนสีนักปราใหญ่จะได้สนทนาธรรมกับข้าพเจ้าเมื่อฉันบินธบาเสร็จพู้ออกรุงได้ทำการปราศัยถามข่าวกล่าวว่าไปเที่ยวถึงไหนได้พบพระอาจารย์อะไรบ้างได้สนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนในควา ม, มาว่าอย่างไรนิมนเล่าพวกญาติฟังบ้างเถิดพวกญาติผู้บาง